วันนี้เป็นวันเสาร์ที่สิบธันวาคมพุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิห้าเป็นวันที่ท่านสาธุชนพุทธบริษัทผู้ฝ่ายธรรมทุกทุกท่านได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาศึกษามาปฏิบัติ ตามพระธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อประโยชน์สุขของจิตใจที่จะตามมาจากการที่ได้ปฏิบัติอย่างถูกต้องการที่จะปฏิบัติทำปฏิบัติตามคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้า สิ่งแรกที่จาเป็นจะต้องมีก็คือต้องศึกษาคาสั่งคาสอนของพระพุทธเจ้าเมื่อเราได้ศึกษาเราก็จะได้รู้วิธีที่ปฏิบัติที่ถูกต้องเมื่อเราได้นำเอาวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องมาปฏิบัติกับกายวาจาใจของเราแล้ว ผลก็จะเกิดตามมาตามลำดับผลที่จะได้รับจากการศึกษาจากการปฏิบัติตามคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าก็คือความสุขความเจริญของจิตใจนี่คือผลที่เราจะได้รับ คือความสุขความเจริญของจิตใจไม่ใช่ความสุขความเจริญในลาบยศสส ร, ส, รสุขต้องให้ทำความเข้าใจว่าในโลกเหล่านี้มีความสุขมีความเจริญอยู่สองรูปแบบด้วยกันก็คือความสุขความเจริญของจิตใจ และความสุขความเจริญของลาบยศสารเสริญสุขอันนี้ไม่เหมือนกันความสุขความเจริญทางลาบยศสารเสริญสุขต่างจากความสุขความเจริญของจิตใจดังนั้นผู้ที่ได้ศึกษาได้ปฏิบัติตามคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้า ถ้าไม่ได้รับความสุขความเจริญทางลาบยกสะลรเสริญสุขก็อย่าไปสงสัยอย่าไปคิดว่าเอทำไมเราทำตามคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าทำบุญทำกุศลนักษาศีลไม่ทำบาปปฏิบัติธรรมชำละกิเลสความโลภความโกรธความหลง แล้วทำไมเราจึงไม่เจริญทางราบยศสารเสริญสุขทำไมเราไม่ร่ำรวยขึ้นทำไมเราไม่มียศมีตาแหน่งที่สูงขึ้นทำไมเราไม่มีคนยกย่องสารเสิญเยือนโให้หลังวี่ังวันต่างๆกับเราทำไมเราไม่ได้มีความสุข จากการได้เสดลูกเสียงกิจนดผลทพัชชนิดต่างๆนั่นก็เป็นเพราะว่าการปฏิบัติตามคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้านี้ไม่ได้พุ่งไปที่ความสุขความเจริญทางลาบยศสารเสริญสุงนั่นเองเพราะในสายตาของพระพุทธเจ้า ของพระอาหารหันตสาวรกทั้งหลายนั้นทรงเห็นว่าความสุขจากลาบยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสผลทพะชนิดต่างๆนั้นมันไม่ได้เป็นความสุขที่แท้จริงมันเป็นความสุขปลอมมันเป็นความสุขชั่วคราวเป็นความสุขที่จะทําให้เกิดความทุกข์ตามมา เวลาที่ความสุขที่ได้จากราภยศสรรเสญสุขจากรูปเสียงกลิ่นดนั้นหมดสิ้นไปนี่คือสาเหตุที่ทำไมพระพุทธเจ้าจึงไม่สอนให้ชาวพุทธเหล่านั้นไปแสวงหาความสุขความเจริญจากราบยศสรรเสญจากรูปเสียงกลิ่นดโผลถภาเกัน พอเท่ากับการไปหาความทุกข์กันนั่นเองผู้ใดที่ไปหาความสุขความเจริญจากลาบยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสโถดถ้าผ้ต่างๆแล้วจะต้องมีความทุกข์กันด้วยกันทุกคนไม่ว่าจะอยู่ในระดับไหนก็ตามจะเป็นมหาเศรษฐีหรือเป็นคนยากจน ก็ต้องทุกกับราบยศสรรเสนสุขจะเป็นคนใหญ่คนโตคนธรรมดาสามัญก็ต้องเจอกับความทุกข์ทั้งนั้นถ้าไปหาความสุขจากราบยศสรรเสริญจากรูปเสียงกิจลดผลพัชชนิดต่างๆเพราะธรรมชาติของราบยศสรรเสริญสุขนี้เป็นของไม่เที่ยงอนิจจังเป็นของ ที่ไม่มีใครจะไปครอบครองเป็นสมบัติได้ตลอดเวลามีการได้มาแล้วก็ต้องมีการเสียไปไม่ช้าก็เร็วเวลาเกิดการสูญเสียเกิดการพลาดพลาดจากกันก็จะเกิดความทุกข์ใจตามมา น, นี้คือความสุขความเจริญทางาลาภยศสรรเสิญ ทางตาหูจมูกลิ้นกายหรือทางรูปเสียงกลิ่นรสผลิภัณฑ์นี้ไม่ได้เป็นเป้าหมายของการปฏิบัติตามคาสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าเป้าหมายของการของการปฏิบัติตามคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้ามุ่งไปที่ความสุขความเจริญทางจิตใจ จิตใจนี่แหละเป็นผู้ที่สัมผัสกับผลที่เกิดจากการปฏิบัติผลที่จะได้จากการปฏิบัติตามคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าก็คือจะได้ความสุขของจิตใจแล้วก็ได้ความเจริญของจิตใจจิตใจของพวกเรานี้ เป็นสิ่งที่จะเจริญขึ้นก็ได้จะเสื่อมลงก็ได้ความเจริญและเสื่อมของจิตใจนั้นคือการเปลี่ยนระดับการเป็นพบเป็นชาติต่างๆนั่นเองมนุษย์เรานี้เป็นหนึ่งในพบชาติของจิตใจ ซึ่งเป็นเพียงหนึ่งในหลายๆระดับของภพชาติระดับถือว่าระดับของมนุษย์นี้ระดับจิตใจของมนุษย์นี้เป็นระดับปานกลางไม่สูงไม่ต่ำมากเกินไปความสุขความทุกข์ของมนุษย์ก็ไม่ไม่มากกว่ากัน คือการเป็นมนุษย์นี่จะมีทั้งสุขมีทั้งทุกข์ผสมกันไปประมาณห้าสิบห้าสิบแต่ถ้าจิตใจลงต่ำกว่ามนุษย์ความทุกข์ก็จะมีเพิ่มมากขึ้นความสุขก็จะมีน้อยลงเช่นถ้าถ้าจิตใจลดลงต่ำลงไปอีกขั้นหนึ่ง ก็จะไปอยู่ในขั้นของสัตว์เดรัจฉานขั้นของพวกสุนัขพวกแมวพวกสัตว์ต่างๆสัตว์เดรัจฉานต่างๆนี้เป็นระดับ จ, จ, จของจิตใจที่เสื่อมลงจากความเป็นมนุษย์และต่ำกว่าระดับของของเดรัจฉานก็มีพวกเปรตพวกศัตรกาย และพวกนรกต่ำสุดก็คือพวกนรกพวกนรกนี้จะมีความทุกข์ร้อยเปอร์เซนความสุขนี้ไม่มีเลยพวกเปรตพวกอสุรกายก็มีความทุกข์เกือบร้อยอาจจะมีความสุขบ้างนิดๆหน่อยๆแต่จะมีความทุกข์มากกว่าความสุขอันนี้เป็นความเสื่อม ของจิตใจที Overall, ่เกิดจากการกระทําบาปต่างๆนั่นเองการกระทําบาปก็คือการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตการลักทรัพย์การเพิ่งผิดประเพณีการพูดปดและการเสพอบายมุกต่างๆเช่นการดื่มสุรายาเมาการเล่นการพนันการเที่ยวเตะ ความเกลียดคร้านและการครบคนที่ชอบอบายมุขเป็นมิตรนี่คือการกระทมที่จะฉุดลากให้จิตใจลงต่ำกว่าความเป็นมนุษย์เรียกว่าเป็นความเสื่อมความทุกข์ที่เกิดจากการกระทาบาปพระทานคำสอนของพระพุทธเจ้าทุกๆพระ อ, องค์ จึงต้องสอนให้ละการกระทำบาป ท, ทั้งปวงเสี ย, ยนี่คือความเปลี่ยนแปลงของสถานภาพของจิตใจที่เกิดจากการไม่ปฏิบัติตามคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าถ้าไม่รักษาศีลไม่ละเว้นจากการประพฤติผิดไม่เสพะบา ย, ยามุขผลที่จะตามมาก็ ก็คือจิตใจจะเสื่อมลงจะมีความทุกข์มากขึ้นจะมีความสุขน้อยลงทางด้านจิตใจและสภาพเสื่อมของจิตใจนี้ไม่ได้เสื่อมตอนที่ร่างกายนี้ตายเสื่อมตั้งแต่การกระทำเกิดการกระทำขึ้นมาเลยเมื่อเกิดการกระทำบาปขึ้นมาแต่ละครั้ง ก็จะดึงให้จิตใจนั้นเสื่อมลงไปทีละเล็กทีละน้อยไม่ได้เสื่อมแบบทันทีร้อยเปอร์ซ็นต์ทำบาปครั้งหนึ่งก็ทําให้จิตใจเสื่อมลงไประดับหนึ่งทํำบาปหลายๆครั้งก็ยิ่งจะทําให้เสื่อมลงไปมากๆจิตใจนี่จึงเปลี่ยนไปทันที ไม่ต้องรอให้ร่างกายตายไปก่อนถึงจะไปเป็นเดรัจฉานหรือไปนรกเนี่ยเป็นตั้งแต่ในขณะที่ยังมีร่างกายอยู่ mm. ก็เป็นแล้วถึงแม้ใจถึงแม้จะมีร่างกายเป็นมนุษย์แต่ถ้าทำบาปอยู่เรื่อยๆใจจะเริ่มกายจากความเป็นมนุษย์ กลายเป็นเดรอาฉานมากขึ้นไปเป็นเปนเป็นนสุรกายเป็นนรกมากขึ้นไปตามลําดับของการกระทําทํามากก็จะเป็นมากทําน้อยก็จะเป็นน้อยแล้วเวลาที่ร่างกายนี้ตายไปก็จะไปเป็นเป็นธาตุประเภทต่างๆตาม การกระทาที่ได้ทำเอาไว้ใจได้เป็นเดรัจฉานเป็นเปรเป็นอสุรกายเป็นนรกตั้งแต่ร่างกายยังไม่ได้ตายไปพอร่างกายตายไปก็มันก็ยังเป็นอยู่เหมือนเดิมไปเป็นเดรัจฉานบ้างไปเป็นเปรตบ้างเป็นอสุรกายบ้างไปนรกบ้าง แล้วก็ต้องไปใช้กรรมไปอยู่แบบนั้นเหมือนไปติดคุกติดตารางอยู่ไปจนกว่าจะหมดกรรมหมดบาปที่ได้ทำเอาไว้พอได้ใช้บาปหมดแล้วถึงจะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่นี่คือสภาพของจิตใจในส่วนที่เกี่ยวกับการกระทำบาป ถ้ากระทำบาปแล้วใจจะตกต่ำใจจะเสื่อมลงใจจะสร้างความทุกข์มากกว่าสร้างความสุขจะมีความทุกข์มากกว่ามีความสุขยังไม่มีใครอยากจะไปเป็นเดราจฉานกันไม่อยากจะไปเป็นเปรต เ, เป็นนสุรกายไปนรกกันแต่ความไม่อยากไปนี้ไม่ได้ห้ามไม่ให้ใจไป ถ้าไม่อยากไปก็ต้องไม่ทำบาปต้องไม่เสพอบายมุขถึงจะป้องกันไม่ให้ใจตกต่ำลงไปได้นะอันนี้คือข้อหนึ่งที่พระเจ้าทุกพระองค์ที่มาสอนธรรมะให้กับสัตว์โลกอย่างพวกเรานี้จะสอนให้ละาการกระทำบาปทั้งปวงเพื่อนังงับการ ความเสื่อมของจิตใจพอเราระ ง, งับความเสื่อมของจิตใจได้คือเชื่อพระพุทธเจ้าแล้วปฏิบัติตามที่พทะเจ้าสรงสอนเคยดื่มสุราก็จะเลิกดื่มสุราเคยเล่นการพนันก็จะเลิกเล่นการพนันเคยเที่ยวเตะก็จะเลิกเที่ยวเตะเคยเกียรติค้านก็จะเลิกเกียรติค้านเคยนิเคยเ ค, ยคบ คนที่ชอบอบายมุขก็จะไม่ไปคบกับเขาเพราะถ้าไปคบกับคนที่ชอบอบายมุขเขาก็จะชวนเราไปทำตามที่เขาชอบถ้าเขาชอบดื่มสุราเขาก็จะชวนเราไปดื่มสุราเขาชอบเล่นการพนันเขาก็จะชวนเราไปเล่นการพนันเขาชอบเที่ยวเขาก็ชวนเราไปเที่ยวเขาชอบความเกียรติค้าน เราก็จะชวนให้เราเกียรติการนั้นนี่คือสิ่งที่เราต้องหักห้ามจิตใจของเราหลังจากที่เราได้มาศึกษาได้ยินได้ฟังพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วและรู้ว่าการเสบบบายยมุคนี้เป็นกรารทเป็นการกระทาที่จะนำมาซึ่งความเสื่อมเสียความตกต่ำของจิตใจ เราก็ต้องหักห้ามจิตใจเคยดื่มสุร า, าก็ต้องพยายามเลิกให้ได้เคยเล่นการพ น, น, น, น, น, นันก็ต้องเลิกให้ได้เคยเที่ยวเต่ก็ให้เลิกให้ได้เคยมีความเกลียดการก็ต้องเลิกให้ได้เคยคบกับคนที่ชอบอบายมุขเป็นนิสก็ต้องเลิกให้ได้อนี้ขั้นของอบายามุขก่อน ละอบายมุกแล้วเราก็าละการกระทำบาปอีกสี่ข้อด้วยกันคือเราต้องไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไม่ทำร้ายชีวิตของผู้ไม่ว่าด้วยเหตุผลกลนกอะในรก็ตามการฆ่านี้ถือว่าเป็นบาป ท, ทังนั้นแม้กระทั่งการฆ่าที่เรียกว่าการฆ่าด้วยความกรุณากรุญยาฆาาก็ถือว่าเป็นบาปเช่น เห็นคนเขาป่วยแล้วเขาขอร้องให้ช่วยฆ่าเขาเพราะเขาไม่อยากจะอยู่แล้วเราไปทําให้เขาตายอย่างนี้เขาเรียกว่าบาปถึงแม้จะคิดว่าเป็นการช่วยเขาช่วยให้เขาพ้นจากความทุกข์แต่ความจริงมันไม่ได้พ้นจากความทุกข์เพราะความทุกข์มันไม่ได้เกิดจากการเจ็บไข้ได้ป่วยของร่างกายแต่มันเกิดจาก กิเลตัณหาของใจเกิดจากความอยากไม่ไมเจ็บไข้ได้ป่วยเกิดจากความอยากให้โรคภัยไข้เจ็บหายไปพ<ม> อ, อไม่มีพอโรคภัยไข้เจ็บไม่หายไปก็เกิดความทุกข์ทรมานทางด้านจิตใจ<ม>สิ่งที่ต้องฆ่านั้นไม่ใช่ฆ่าร่างกายถ้าต้องการที่จะกำจัดความทุกข์ทรมานของจิตใจ ต้องฆ่าความอยากให้โรคภัยไข้เจ็บหายไปไอตัวนี้ทังหางที่เป็นตัวที่สร้างความทุกข์ทรมารให้กับใจการฆ่าร่างกายไม่ได้ไปเปลี่ยนแปลงความทุกข์ของใจเพราะว่าฆ่าร่างกายนี้ไม่ได้ฆ่าความอยากด้วยไม่ได้ฆ่ากิเลสตัวที่สร้างความทุกข์ให้กับใจ ตัวที่สร้างความทุกข์ให้กับใจก็ยังอยู่ในใจต่อไปแล้วก็จะไปสร้างความทุกข์ต่อไปอีกเวลาที่ไปเกิดใหม่และเวลาที่ไปเจอความเจ็บไข้ได้ป่วยก็จะเกิดความทุกข์ทรมานใจเหมือนเดิมวิธีที่จะแก้ปัญหาคือความทุกข์ทรมานใจเวลาเกิดจากความเจ็บไข้ได้ป่วยต้องใช้ ความพยายามระงับความอยากให้โครคภัยไข้เจ็บหายไปต้องยอมรับว่ามันเป็นสภาพสภาพของร่างกายที่ไม่ว่าใครก็ตามที่เมื่อเกิดมาแล้วจะต้องเจอการเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นธรรมดาล่วงพ้นความเจ็บไข้ได้ป่วยไปไม่ได้และก็ไม่ใช่เป็นสิ่งที่เกินความสามารถที่จะ อยู่กับความเจ็บไข้ได้ป่วยได้เพราะใจนี้ไม่ได้ป่วยไปกับร่างกายใจนี้กับร่างกายเป็นคนละคนกันใจไปหลงคิดว่าตนเองเป็นร่างกายแล้วก็เลยเกิดความทุกข์ทรมานจากความอยากให้โรคภัยไข้เจ็บของร่างกายหายไปแคงนั้นเองถ้าได้ศึกษาธรรมของพระพุทธเจ้า และได้ได้ปฏิบัติตามคำสอนต่อไปก็จะไม่มีความทุกข์ทรมานใจ<ม>เวลาที่เกิดโรคภัยไข้เจ็บกับร่างกาย<ม>แล้วรักษาไม่หาย<ม>แต่จะไม่มีความทุกข์ทรมานใจ<ม>เพราะถ้าหยุดความอยากได้หยุดความอยากไม่ให้ความเจ็บไข้ได้ป่วยหายไป ก็จะไม่ต้องฆ่าตัวตายการฆ่านี้ไม่ว่าจะฆ่าร่างกายของคนอื่นหรือฆ่าร่างกายของตอนเองนี้ก็เป็ น, ปนบาปเหมือนกันจะส่งให้ใจนั้นต้องไปลงต่ำทันทีนั้นวิธีฆากันนี้ไม่ว่าจะฆ่ากันด้วยเหตุผลกลไกใดก็ตามถือว่าไม่ได้เป็นการแก้ปัญหาแต่เป็นการสร้างปัญหาให้กับจิตใจสร้างความทุกข์สร้างความเสื่อมให้กับจิตใจ ไม่ว่าจะฆ่าด้วยเหตุผลกลไกใดก็ตามฆ่าเพราะว่าต้องดำรงชีพเพราะว่าถ้าไม่ถ้าไม่ฆ่าสัตว์ก็จะไม่มีอาหารรับประทานอย่างนี้จะอดตายถ้าทำอย่างนี้ก็จะไปเป็นเดรัจฉานเพราะนี่คือจิตสำนึกของสัตว์เดรัจฉานเขาฆ่ากันเพื่อรักษาชีวิตของเขา สัตว์ใหญ่กินสัตว์น้อยเป็นต้นอันนี้สำหรับผู้ที่ได้มาเกิดเป็นมนุษย์และได้สัมผัสกับคำสัง่งคำสอนของพระพุทธเจ้านี้จะรู้ว่าการฆ่าไม่ว่าจะฆ่าในรูปแบบใดก็ตามถือว่าเป็นการทำลายจิตใจสร้างความทุกข์สร้างความเสียหายให้กับจิตใจ เป็นการทำร้ายจิตใจไม่ได้เป็นการช่วยเหลือจิตใจแต่อย่างไดเรฉนั้นชาพูดธเราจะไม่ฆ่าโดยเด็ดขาดไม่ว่าจะเป็นหเหตุผลใดก็ตามจะไม่ฆ่าด้วยความอยู่รอดจะไม่ฆ่าด้วยความกรุณาสงสารร่างกายร่างกายมันเจ็บไข้ได้ป่วยเห็นมันทุกข์ทรมาน ความจริงร่างกายมันไม่ทรมานกับความเจ็บไข้ได้ป่วยตัวที่ทุกข์ทรมานก็คือเจ็บใจแต่เราไม่เห็นกันบางทีเราสงสารเห็นคนที่เขาป่วยแล้วเขาทรมานแล้วเขาก็อยากจะตายเราก็เลยช่วยทําให้เขาตายอย่างนี้อันนี้เป็นการฆ่าด้วยความหลงเหมือนกันก็จะไปเป็นสัตว์เดรัจฉานได้เหมือนกัน ถ้าฆ่าด้วยความโลภอยากได้นั่นได้นี่แล้วไม่ได้นังใจจะได้ต้องฆ่าคนนั้นฆ่าคนนี้ถ้าทำอย่างนี้ก็ทำให้จิตใจเป็นเปรตถ้าฆ่าด้วยความกลัวก็จะไปไปนรกสุรกายถ้าฆ่าด้วยความเกียรตชงังอาฆาตพยาบาทจองเวรจองกรรมก็จะไปนรก อย่างนั้นการทำบาปนี้ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลกลไกใดนี้ไม่มีคุณไม่มีประโยชน์ต่อจิตใจเลยของผู้กระทำมีแต่โทษเพียงอย่างเดียวเพราะฉะนั้นต้องไม่ไม่กระทำบาปไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไม่ลักทรัพย์ของผู้อื่นไม่เอาทรัพย์ของผู้อื่นที่เขาไม่อนุ ญ, ญาตให้เราเอาไปใช้ แล้วก็ไม่ไปประพฤติผิดประเพณีก็คือไม่ไปร่วมเกินสามีภรรยาหรือบุตรธิดาของผู้ของเหล่านี้เขามีเจ้าของถ้าเจ้าของเขาไม่อนุญาตก็เป็นเหมือนการลักทรัพย์แต่เป็นการประพฤติเป็นลักทรัพย์ด้วยการประพฤติผิดประเพณีแล้วก็การโกหกก็เช่นเดียวกัน การโกหกก็จะสร้างความเสียหายให้กับผู้ที่ถูกโกหกอันนี้ก็เป็นการกระทำบาปสี่ข้อที่จะปิดประตูบายถ้าเราไม่ถ้าเรารักษาศีลได้ถ้าเราจะไม่ทำบาปได้ถ้าเราทาบาปเราก็จะเปิดประตูบายเราก็จะลงไปสู่บายกันจะเชื่อหรือไม่เชื่อนี้ไม่สำคัญเพราะกฎแห่งกรรมนี้ไม่ได้ตั้งอยู่ที่ ความเชื่อหรือไม่เชื่อว่ามีจริงหรือไม่มีจริงคนที่ไม่เชื่อว่านารลกมีจริงคนที่ไม่เชื่อว่าทำบาปแล้วจะต้องไปเกิดในอบายถ้าทำก็จะต้องไปอบายเหมือนกับคนที่เชื่อคนที่เชื่อใจก็ยังทำอยู่ก็ไปอบายเหมือนกันคนที่เชื่อจะต้องไม่ทาบาปถ้าไม่ทำบาปแล้วทีนี้ก็จะไม่ไปอบายอย่างแน่นอน ไม่ว่าจะเป็นคนเชื่อหรือไม่เชื่อก็ตามคนบางคนอาจจะไม่ใช่เป็นชาวพุทธไม่ได้ยินคำสั่งคำสอนของศาสนาที่ห้ามไม่ให้กระทำบาปแต่เขาอาจจะมีจิตสานึกว่าการกระทำบาปนี้เป็นสิ่งที่ไม่ดีเพราะเขาคิดถึงตัวเขาเองว่าถ้าคนอื่นมาทำกับเราบ้างเราจะรู้สึกอย่างไร ถ้าคนอื่นเข้ามาฆ่าเรานี้เราจะรู้สึกอย่างไรถ้าคนอื่นเข้ามารักทรัพย์ของเราไปเราจะรู้สึกอย่างไรถ้าคนอื่นเข้ามาประพฤติผิดมาล่วงละเมิดคู่ครองของเราเราจะทาจะําเราจะรู้สึกอย่างไรถ้าคนอื่นมาก่อหกหลอกลวงเราเราจะรู้สึกอย่างไรคนบางคนอาจจะไม่ต้องมีศาสนาสอนก็ได้บางคนนี้เขามี ความเห็นที่ถูกต้องสัมมาทิฏฐิดโดยธรรมชาติด้วยความฉลาดของเขาก็ได้เวลาเขาคิดถึงคนอื่นเวลาที่เขาทําอะไรเขากับคนอื่นเขามักจะย้อนกลับมาคิดถึงตัวเขาเองถ้าเราทาอย่างนี้กับเขาถ้าเขากลับมาทาอย่างนี้กับเราเราจะรู้สึกอย่างไรพอรู้สึกว่าไม่ดีก็จะทำให้ไม่อยากจะไปทําถ้าเรา ถ้าถ้าเขามาฆ่าเรา่านี้เราจะรู้สึกยังไงเราจะรู้สึกว่าไม่ดีเลยเพราะเรารักชีวิตของเราไม่ต้องการให้ใครเอามาทำร้ายชีวิตของเราถ้าเราคิดอย่างนี้ได้เราก็จะไม่ทำํำบาปได้ถึงแม้เราอาจจะไม่ได้เจอพระพุทธศาสนาถึงแม้จะเป็นคนที่ไม่มีศาสนาก็ตามแต่ตามหลักความเป็นจริงแล้วเขามีศาสนาในใจของเขา เพราะศาสนาที่แท้จริงนี้ไม่มีชื่อเป็นเป็นหลักของเหตุผลเป็นหลักของความความถูกต้องนั่นเองเป็นธรรมชาติเป็นหลักของธรรมชาติพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้ไปเรียนรู้จากใครก็เรียนรู้จากหลักของธรรมชาตินี่ด้วยการรู้จักคิดคิดเปรียบเทียบ ระว่างเขากับเรานี้ต่างกันตรงไหนไห ม, มเราก็รักชีวิตเขาก็ต้องรักชีวิตเราก็ไม่ต้องการให้ใครมาทำร้ายทำลายชีวิตของเราผู้อื่นเขาก็ไม่ต้องการให้เราไปทำร้ายทำลายชีวิตของเขาเหมือนกัน<ม><ม>ถ้าเรามีความเห็นแบบนี้เราเรียกว่ามีซัมมีสัมมาทิฏฐิความเห็นที่ถูกต้องโดยที่ไม่ได้ไปเรียนรู้จากใครก็ได้ อาจจะเป็นเรื่องของความฉลาดที่รู้จักคิดรู้จักเปรียบเทียบระหว่างคนอื่นกับตัวเราเองว่ามีความรู้สึกต่างกันไหมก็จะรู้ว่าไม่ต่างกันพวกเราทุกคนเกิดมานี้รักชีวิตด้วยกันทุกคนรักทรัพย์สินของเรารักสมบัติของเราไม่ต้องการให้ใครที่จะมาร่วงละเมิดทรัพย์สินสมบัติของเรา ถ้าคิดอย่างนี้ได้ก็จะไม่กล้าทำบาปเหมือนกันอันนี้เป็นสิ่งที่จะต้องกระทำในในการที่เราจะป้องกันไม่ให้จิตใจเราลงตังคป้องกันไม่ให้เพิ่มความทุกข์ให้กับจิตใจและลดความทุกข์และลดความสุขของจิตใจให้น้อยลง ตอนนี้เราเป็นมนุษย์ถ้าเราเป็นมนุษย์นี่เราจะมีความสุขความทุกข์ประมาณห้าสิบห้าสิบเพราะว่าบาปที่เก่าที่ได้ทำไว้และบุญเก่าที่ได้ทำไว้มันก็ยังมีสะสมอยู่ในใจอยู่มันยังไม่ได้หมดไปเวลาที่เรามาเกิดเป็นมนุษย์นี้แสดงว่าบาปกระบุญที่เราได้ทำกันไว้นั้นมันอยู่ อยู่เท่ากันอยู่ในระดับเท่ากันจึงทําให้ตอนเป็นมนุษย์นี้บาปก็ไม่สามารถที่จะดึงใจให้ลงต่ําได้เพราะมีบุญคอยดึงเอาไว้บุญก็ไม่สามารถดึงใจให้ขึ้นสูงได้บาปการเป็นมนุษย์ก็เพราะยังมีบาปที่คอยดึงไว้ไม่ให้ขึ้นสูงไปกว่านี้ถ้าอยากจะขึ้นสูงไปกว่าความเป็นมนุษย์ พระพุทธเจ้าจึงสอนว่าเราต้องทำบุญชนิดต่างๆทำความดีในรูปแบบต่างๆคำว่าบุญนี้ความจริงแปลว่าความสุขใจนั่นเองที่เกิดจากการทำความดีความดีก็คือการเสียสละความสุขของเราประโยชน์สุขของเราที่เรามีอยู่ให้กับผู้ที่เขาไม่มี เช่เรามีเงินมีทองที่เราสามารถแบ่งปันให้คนอื่นได้เราก็แบ่งให้กับคนที่เขาทุกข์ยากเดือดร้อนโอดอยากขาดแคลนอันนี้เท่ากับเรียกว่าเป็นการแบ่งปันความสุขประโยชน์ให้กับผู้อื่นด้วยดวยการเสียสละทรัพย์สินสมบัติต่างๆของเราให้กับเขาเพื่อที่จะทําให้เขานี้ มีความสุขขึ้นมาบ้างแล้วเวลาที่เราเห็นว่าเขาได้รับความสุขจากการกระทำของเรามันก็จะทำให้ใจของเรามีความสุขเพิ่มขึ้นมามากขึ้นนั่นเองพอสุขของเรานี่เริ่มมีมากกว่าทุกจิตใจของเราก็จะเริ่มเปลี่ยนจากมนุษย์ขึ้นไปเป็นเทวดานะเทวดานี้ก็มี หลายระดับเนือ่องจากมีอยู่หระดับด้วยกันขึ้นอยู่กับปริมาณความสุขที่เราเติมให้กับจิตใจจากการทําความดีต่างๆอันนี้แหละคือวิธีที่จะยกระดับสร้างความสุขให้กับจิตใจของเราให้มีเพิ่มมากขึ้นด้วยการกระทําความดีต่างๆซึ่งไม่จําเป็นว่าจะต้องให้สมบัติเข้าของเงินทองเพียงอย่างเดียว เพราะว่าการให้นี้สามารถให้ได้ในหลายรูปแบบด้วยกันถ้าเราไม่มีเงินมีทองที่จะให้แต่เรามีวิชาความรู้เรามีความรู้ต่างๆที่เราสามารถสอนให้คนอื่นเขาได้เรียนรู้และได้เอาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ <c oughs> เขาพอเราให้ความรู้เขาแล้วเขาเอาความรู้นี้ไปทำมาหากิน เลี้ยงปากเลี้ยงท้องได้เช่นอาจจะสอนวิธีทำกับข้าวทำอาหารหรือทำสินค้าผลิตสินค้าอะไรต่างๆอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทำวิชาชีพเย็ยบปากถักร้อยเย็ยบเสือ้อตัดเสือ้อทำผ้าทำผมอะไรต่างๆตัดผมอะไรวิชาต่างๆถ้าเรามีความรู้เหล่านี้แล้วเราสอนให้กับผู้ที่เขาต้องการจะเรียน เพื่อที่เขาจะได้รู้จักวิธี ว, ว, วิธีท ร, รมาหากินที่สุดจริตเขาได้รับประโยชน์สุขจากการสั่งอสอนของเราอันนี้ก็เรียกว่าเป็นการทำความดีอีกรูปแบบหนึ่งคือการให้ความรู้ต่อผู้อื่นหรือถ้าเรามีเวลาว่างเราอาจจะอุทิศ เวลาว่างของเรานี้ไปกับการรับใช้สังคมก็ได้สังคมอาจจะมีมีงานมีการที่ต้องการความร่วมมือร่วมใจต้องการความเสีสยสละเห็นยามเกิดอุฒภัยต่างๆเกิดน้ำท่วมเกิดไฟไหม้เกิดอะไรที่มีความเดือดร้อนและต้องการมีผู้ที่ไปช่วยเหลือบรรเทาความทุกข์ยากเดือดร้อน ถึงแม้เราจะไม่มีความรู้มากเราไม่มีเงินทองที่จะช่วยแต่เรามีร่างกายที่เราสามารถไปทำประโยชน์ได้อันนี้ก็เป็นวิธีอีกวิธีหนึ่งในการที่เราจะเติมความสุขให้กับจิตใจเติมบุญให้กับจิตใจได้การกระทำเหล่า น, นี้นก็จะค่อยๆ ย, ยกระดับจิตใจของเราให้สูงขึ้นไปตามลำดับ เราก็จะก้าวขึ้นจากระดับเทพขั้นต่ําขึ้นไปสู่ระดับขั้นขั้นสูงตามลําดับไปได้การทําบุญตามเติมความสุขนี้มีอยู่ถึงร6ระดับด้วยกันอยู่ที่ว่าเราจะอุทศิศประโยชน์สุขของเราให้กับผู้อื่นไปมากน้อยเพียงไรถ้าเราอุทศิศหนึ่งใน6เราก็จะได้ขั้นที่หนึ่ง อุทิศสองในหเราก็จะได้ขั้นที่สองถ้อุทิศสมในหของประโยชน์สุขที่เรามีครึ่งหนึ่งประโยชน์สุขของเรามีครึ่งหนึ่งแบ่งให้คนอื่นสักครึ่งหนึ่งเราเก็บไว้เพียงครึ่งเดียวเราก็ยกระดับของเราขึ้นสู่ระดับขั้นที่สามของการเป็นเทพถ้าเราคิดว่าเราไม่มีความจำเป็นจะต้องมีทรัพสมบัติเลยเรามีความสุขจากการทาบุญ จากการเสียสละแบ่งปันการทำประโยชน์หรือเราเห็นว่าเรามีสิ่งที่เราต้องการเหนือกว่าความสุขของระดับเทพก็คือความสุขของระดับพรหมเราก็สามารถที่จะเสียสละได้อย่างเต็มร้อยเลยมีทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองเท่าไหร่ก็ยกให้คนอื่นไปให้หมดเลย เราไม่ต้องเก็บอะไรไว้เพราะเราจะไปเป็นนักบวชนถ้าเราไปเป็นนักบวชนี้เราก็จะจะมีโอกาสที่เราจะได้ขึ้นสู่ความสุขที่เหนือกว่าความสุขของระดับเทพต่อไปนี่คือการเจริญของจิตใจตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าขั้นที่หนึ่งก็คือการป้องกันความเสื่อม ด้วยการไม่กระทำบาปด้วยการไม่เสพประบายยมุกพอป้องกันไม่ให้ลงต่าได้แล้วทีนี้ก็ยกให้ขึ้นสูงได้ด้วยการทำบุญทำความดีต่างๆทำตั้งแต่น้อยไปจนถึงขั้นสูงสุดถ้าทำถึงขั้นสูงสุดได้ก็จะพร้อมที่จะไปเติมบุญในระดับของพรหมต่อไปได้ยกระดับจิต ให้ขึ้นจากเทพไปเป็นพรหมต่อไปการจะขึ้นไปสู่ระดับพรหมได้ก็ต้องทำตามคำสอนข้อที่สามข้อแรกให้ละการกระทำบาปทั้งปวงข้อที่สองให้สร้างบุญสร้างกุศลทั้งหลายให้ถึงพร้อมทำให้เต็มที่ทำให้ครบเต็มร้อยพอได้เต็มร้อยแล้วทีนี้ก็สามารถไปสร้างระดับที่สามได้ บุญระดับที่สามนี้ก็คือบุญที่เกิดจากการชำระจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์ mm hmm. ข้อที่สามนี้สรงสอนให้ชำระให้ชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์ mm hmm. เพราะสิ่งที่ยังขวางกั้นความสุขของใจก็คือกิเลสตัณหาที่ยังมีอยู่ในใจการทําบุญทําทานการรักษาสีนี้ยังไม่สามารถที่จะกาจัด กเลสคือความโลภความโกรธความหลงให้หมดสิ้นไปได้กาจัดได้เป็นบางส่วนเป็นเหมือนกับเวลาที่เราซักเสื้อผ้าเนี่ยถ้าเราซักเสื้อผ้าแบบใช้น้ำเปล่ า, านี้มันก็อาจจะกาจัดสิ่งสกรปรกออกไปได้ส่วนหนึ่งแต่ส่วนที่มันติดหนาติดแน่นอยู่กับเสื้อผ้านี้อาจจะไม่ออกอาจจะต้องใช้ผงซักพ่อ แล้วก็ต้องอ จ, จะต้องใช้การขัดการถูเพราะว่าคราบสกปรกบางอย่างนี่มันฝังติดแน่นอยู่กับเสื้อผ้าน้ำเปล่าก็ไม่พอผงซักฟอกอย่างเดียวก็ไม่พอต้องมีการขยี้มีการขัดด้วยถึงจะสามารถที่จะเอาสิ่งสกปรกที่ติดอยู่กับเสื้อผ้าให้ออกไปให้ได้หมดฉันใดกิเลสตัณหาตัวที่คอยสร้างความทุกข์ให้กับใจนี้ ก็เป็นสิ่งที่เหมือนกับคราบสกปรกที่ติดอยู่บนเสื้อผ้าซึ่งการชาระกิเลสด้วยการไม่ทำบาปนี้ก็ชาระได้เป็นบางส่วนชาระกิเลสด้วยการทำบุญทำกุศลก็ชาระได้ไปอีกส่วนหนึ่งแต่ยังไม่หมดมันยังมีติดค้างอยู่ที่ต้องใช้วิธีชาระด้วยการ ปฏิบัติขั้นที่สามที่เรียกว่าการภาวนาการภาวนานี่คือการชำระกิเลสตัณหาให้หมดสิ้นไปอย่างรบาบคาบให้ใจนี้เป็นใจที่สะอาดบริสุทธิ์ขึ้นมาแต่การที่เราจะไปภาวนาได้อย่างเต็มรูปแบบนี้เราจําเป็นที่จะต้องไปอยู่แบบนัก บ, บวชถ้าเรายังอยู่แบบผู้ครองเรือนอยู่ เราจะไม่มีเวลาพอต่อการปฏิบัติเพราะการปฏิบัติการซักฟอกจิตใจให้ได้ผลนี้จาเป็นจะต้องทำอย่างเต็มรูปแบบทำตลอดเวลาตั้งแต่ตื่นจนหลับเลยถึงจะสามารถที่จะซักฟอกจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์ได้แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าตอนนี้ที่เรายังเป็นค า, ารวาสอยู่ เราจะซักพอกบ้างไม่ได้เราก็ยังทําได้อยู่แต่อาจจะทําได้ไม่มากเท่านั้นเองทําได้บางเวลาเวลาที่เราว่างจากภารกิจทางโลกการครอบครัวหรือทางสังคมหรือทางการทำมาหากินเราก็ถ้ามีเวลาว่างอย่างวันนี้วันหยุดนี้ เราอยากจะมาลองซักพอกจิตใจซักวันสองวันก็ได้ในวันหยุดถ้าเราสามารถเปลีกตัวออกจากภารกิจต่างๆได้เช่นภารกิจทางครอบครัวทางการงานหรือทางสังคมเราก็ไปปลีกวิเวกลองไปหาที่สงบสงัดเพราะการชำระจิตใจนี้ต้องอาศัยที่สงบสงัดและเป็นที่ที่ไม่มี การคลุกคลีกันไม่สังคมกับใครอย่างที่ที่เราต้องการอยู่ตามลาพังเพื่อที่จะคอยกําจัดกิเลสคือความโลภความโกรธความหนงที่มันยังมีอยู่ในใจให้มันลดน้อยลงไปหรือถ้าเราเป็นผู้ที่มีความสามารถอาจจะทำให้มันหมดไปเลยก็ได้ในแค่ระยะวันสองวันถ้ามี พลังของธรรมมากการชำระใจนี้จะชำระได้มากได้น้อยอยู่ที่พลังของธรรมพลังของธรรมที่ต้องใช้ก็คือสติและปัญญาและสมาธินี่อันนี้แหละถ้าเรามีมากเราก็อาจจะทําได้ภายในวันสองวันก็ได้บางคนนี้เพียงแต่ได้ฟังคําสอนของพระพุทธเจ้าเท่านนั้นก็สามารถที่ชำระใจให้สะอาด บ, บริสุทธิ์ได้เลยก็มี แต่เป็นกรณียกเว้นส่วนใหญ่แล้วจำเป็นที่จะต้องใช้เวลาในการสร้างพลังธรรมให้เกิดขึ้นมาในใจพลังธรรมที่ต้องสร้างเพื่อที่จะชำระจิตใจนี้ก็คือข้อแรกก็คือสติข้อที่สองก็คือสมาธิและข้อที่สามก็คือปัญญาและการที่จะสร้าง พลังทำทั้งสามข้อนี้ได้ก็ต้องมีเวลาให้กับการสร้างการที่จะมีเวลาได้ก็ต้องมีการกําจัดจํากัดกิจกรรมอื่นๆไม่ให้ไปทำกิจกรรมอื่นๆให้ให้เอาเวลาทั้งหมดนี้มาให้กับการเจริญสตินั่งสมาธิเจริญปัญญาเพียงอย่างเดียวตลอดเวลาตั้งแต่ตื่นจนหลับจึงจําเป็นที่จะต้องมีการรักษาศีลแปดกัน ศีลห้าที่มีไว้สำหรับป้องกันไม่ให้จิตตกสั่งไม่ให้ไปเกิดนายบาลนี้ไม่พอศีลห้ามีไว้ป้องกันไม่ให้จิตลงต่ำแต่ไม่ป้องกันไม่ให้จิตไปหาทำกิจกรรมทางตาหูจมูกลิ้นกายได้ต้องเพิ่มจากศีลห้ามาเป็นศีลแปดแล้วศีลข้อสามก็ต้องเปลี่ยนจาก การไม่ประพฤติผิดประเพณีมาเป็นการประพฤติพรหมจรรย์คือจะไม่ร่วมหลับนอนกับใครแม้แต่คู่ครองก็ไม่ร่วมหลับนอนด้วยศีลห้านี้ยังอนุญาตให้ร่วมหลับนอนกับคู่ครองได้อยู่แต่ถ้าพมาถือศีลแปเพราะว่าเราต้องการเอาเวลาที่เราไปใช้กับการร่วมหลับนอนกับกับคนอื่นนี้ เอามาใช้ให้กับการเจริญสติมาสร้างพลังธรรมให้มีมากขึ้นเราเลยจําเป็นจะต้องเปลี่ยนศี่ข้อสจากการเมมาเป็นอบ ร, รมัจจริยานุ่งขาวห่มขาวนี่พวกนุ่งขาวห่มขาวนี่เราประกาศให้ชาวบ้านชาววัดฉันไม่รุ่งไม่ยุ่งกับใครแล้วนะั้นเรื่องหลับร่วมนอนฉันจเวลายุ่งกับเรื่องคนนั้นคนนี้มาให้กับการเจริญสติ มาเดินจงกลมมานั่งสมาธิเพราะฉันต้องการที่จะชะําระกิเลสปัญหาโดยที่ยังคอยสร้างความทุกข์ให้กับใจเพราอใจจะได้มีความสุขเพิ่มมากขึ้นมีความสุขเหนือความสุขของขอ ง, ของเทพที่เกิดจากการทําบุญทําทานเกิดจากการทําความดีต่างๆต้องการความสุขมากกว่านี้ก็ต้อง กำจัดกิเลสตัณหาที่ยังมีอยู่ในใจกิเลสตัณหาเช่นตัณหาความอยากที่จะเสพรูปเสียงกลิ่นรสเนี่ยยังไม่หมดคนที่ทำบุญทำทานรักษาสี่นี้ยังอยากเที่ยวอยู่นะยังอยากดูหนังฟังเพลงยังอยากกินอยากอยากดื่มดมซึ่งก็ไม่ใช่เป็นสิ่งที่เสียหายก็ไม่ถือไม่ถือว่าผิดศีลไม่เปดึงให้ใจลงไปในอบายได้ ไม่ได้ไปทําให้ใจเป็นเป็นเทพไม่ได้ก็ยังเป็นเทพได้เป็นเทพมีความสุขของการเสพการพวกเทพนี้เขาหาความสุขจากการเสพรูปเสียงกลิ่นนั่นองแต่ถ้าอยากจะขึ้นไปเป็นพรหมได้ความสุขระดับพรหมหรือสูงกว่านั้นนี้ย่ำเป็นต้องระ ง, ง, ง, งับการหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆมังต้องถือเสียงแปลกกันข้อสามก็เปลี่ยนเป็น อภิปรมัมจริยาไม่หาความสุขจากการร่วมหลับนอนกับใครแล้วก็เพิ่มข้อ6ไม่หาความสุขจากการรับประทานอาหารแบบไม่มีขอบไม่มีเคทไม่รับประทานอาหารตามความอยากแต่รับประทานอาหารหรือดืม่มตามความจําเป็นตามความต้องการของร่างกายร่างกายขาดน้ําไม่ได้ก็เนื่มดื่มน้ําได้ดื่มน้ําเปล่าไปแต่ไม่ควรดื่มน้ําที่มีสีมีรสมีกลิ่น เพราะอันนั้นเป็นการเสกกามจะทำให้ติดจะทำให้เป็นอุปสรรคในการที่จะไปกาจัดกิเลสคือกิเลสที่ชอบเสกกรรมนี่ก็คือกามตัณหาต้องรับประทานไม่มากแล้วก็มีขอบเขตมีเวลาคือไม่รับประทานหลังเที่ยงวันไปแล้วรับประทานมื้อสองมื้อก็พอรับประทานเพื่ออยู่ไม่ได้อยู่เพื่อรับประทาน เพราะว่าเราต้องการเอาเวลาที่มายุ่งกับการรับประทานนี้ไปหาสติไปหาสมาธิไปสร้างสติไปสร้างสมาธิที่จะให้ความสุขมากกว่าความสุขที่ได้จากการรับประทานหรือไปดื่มไปกินไปดื่มอะไรต่างๆตามความอยากอันนี้ก็คือสินข้อหกบังกันไม่ให้เราไปหาความสุขทาง ตาหูจมูกเื่องกายผ่านทางการดื่มการรับประทานอาหารแล้วก็ข้อที่เจ็ดก็ไม่ให้เราไปหาความสุขจากมหมอศพบันเทิงต่างๆไม่ดูหนังฟังเพลงไม่ไปเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวสถานบันเทิงต่างๆไม่เสริมสวยความงานของร่างกายด้วยเสือ้อผ้าผ่อนลึกหรือเครื่องสมางน้ํามันน้ําหอมอะไรต่างๆอันนี้ต้องตัดไปให้หมด เพื่อจะได้มีเวลาให้มาให้กับการปฏิบัติแล้วก็ไม่นอนมากเกินไปวิธีไม่นอนมากเกินไปก็ต้องอย่านอนบนเตียงที่มีฟูกดนหนาที่มันสุขมันสบายให้นอนบนเตียงที่เป็นพื้นแข็งๆนี่อนอนกับพื้นปูผ้าปูเสือ่อถ้านอนบนพื้นแข็งนี่จะนอนไม่นอนเพอร่างกายได้พักผ่อนพอพอตื่นขึ้นมาแล้วก็จะไม่อยากที่จะนอนต่อ ก็จะได้ลุกขึ้นมาแล้วก็จะได้ขึ้นมาสร้างสติสร้างสมาธิกันได้ตลอดเวลาแล้วก็จะไม่มีอุปสรรคที่จะมาคอยขวางกันถ้าละประทานอาหารมากๆมันก็จะทําให้ง่วงนอนทําให้เกิดความเกลียดคานได้ถ้าติดกับการดูภาพยนตร์ดูละครพอถึงเวลาที่จะมีละครมีภาพยนตร์ให้ดู ใจก็อาจจะ อ, อดไม่ได้แทนที่จะมานั่งสมาธิแทนที่จะมาเดินจงกรมก็ขอไปดูละครก่อนดูภาพยนตร์ก่อนมันก็จะทําทให้เสียเวลาได้เน้นตอนถ้าถ้าถือศีลแปแล้วทํากิจกรรมเหล่านี้ไม่ได้ทําได้กิจกรรมเดียวก็คือการปฏิบัติภาวนาการเจริญสติการเจริญสมาธิและการเจริญปัญญาเท่านั้น เป็นกิจกรรมที่เราจะทำได้และเป็นกิจกรรมที่มีคุณค่ามีคุณประโยชน์กับจิตใจเป็นอย่างยิ่งเพราะจะช่วยยกระดับจิตใจให้สูงขึ้นให้มีความสุขมากขึ้นให้มีความทุกข์น้อยลงเพราะกิจกรรมของการเจริญสติสมาธิปัญญานี้เป็นการกาจัดกิเลสปัญหาตัวที่คอยสร้างความทุกข์สร้าง ความวุ่นวายให้กับใจนี้ให้ลดน้อยถอยลงไปตามลำดับของการของการปฏิบัติถ้าจเจริญปฏิบัติสติสมาธิปัญญาได้มากกิเลสตัณหาก็จะลดน้อยลงไปตามลำดับแล้วความสุขก็จะมีเพิ่มมากขึ้นความทุกข์ที่เกิดจากกิเลสตัณหาก็จะมีน้อยลงไปตามลำดับ จนถึงขั้นที่ไม่มีกิเลสตัญหาหลงเหลืออยู่ภายในใจเลยเหลือแต่ใจที่สะอาดบริสุทธิ์เหลือแต่ใจที่มีสติสมาธิปัญญาคอยดูแลรักษาตลอดเวลาเมื่อถึงเวลานั้นแล้วใจก็จะได้ถึงขั้นสูงสุดคือขั้นของพระอาหารหันต์ขั้นของพระพุทธเจ้าที่เรียกวันนิพผ่าน ใจก็จะได้ไปถึงนิพพานถือว่าเป็นสวรรค์ชั้นสูงสุดสวรรค์ น, นี้ถ้าจะแบ่งก็อาจจะแบ่งเป็นระดับเทพแล้วก็ระดับพรหมแล้วก็ระดับพระอริยเจ้าจนถึงระดับสูงสุดก็คือพระ น, น, นิพพานเพราะนิพพานนี้เป็นสวรรค์ไม่ใช่เป็นที่สูญหายไปไม่ที่ไม่ได้ไปทำให้ใครไปนิพพานแล้วจะสูญหายอันตรธานหายไปไม่ใช่ ผู้ที่ไปอยู่นิพพานนี้ไม่ได้หายอยู่กับความสุขสิ่งที่หายไปก็คือความทุกข์ต่างๆสิ่งที่หายไปก็คือกิเลสตัณหาสิ่งที่หายไปก็คือการเวียนว่ายตายเกิดสิ่งเหล่านี้จะหายไปจากใจของผู้ที่ได้พระนิพพานมาเป็นสมบัติใจที่ได้นี้ไม่ได้หายใจที่ได้นิพพานนี้ไม่ได้หายไปไหนยังเป็นใจเหมือนที่เป็นอยู่ตอนนี้ ใจของเราตอนนี้เป็นอย่างไรใจของผู้ที่ไปถึงนิพพานก็ยังเป็นใจคือเป็นผู้รู้ผู้คิดเหมือนเดิมยังรู้ยังคิดได้เหมือนเดิมเพียงแต่ว่าไม่รู้จะคิดอะไรแล้วไม่รู้จะรู้อะไรแล้วเพราะว่าสิ่งที่คิดสิ่งที่รู้นี่มันู้นแต่เป็นความทุกข์ทั้งนั้นสิ่งที่พวกเรามารู้กันมาคิดกันนี้เป็นเรื่องแต่ความทุกข์ทั้งนั้นผู้ที่ปฏิบัติผู้ที่เห็นด้วยปัญญาแล้วก็จะไม่คิดอะไรไม่รู้อะไรดีกว่า ดูอยู่กับความว่างดีกว่าความว่างนี่แหละเป็นสิ่งที่ไม่มีโทษไม่มีพิษมีภัยต่อจิตใจแต่ถ้าไปรู้ไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้คนนั้นคนนี้เดี๋ยวก็เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาทันทีนี่คือการปฏิบัติขั้นสูงสุดคือการชำระจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์นี่จำเป็นต้องทำผ่านขั้นขั้นแรกก่อนก็คือการ การปิดประตูาบายก่อนด้วยการรักษาศีลให้สะอาดรักษาศีลห้าละเว้นการเสบบบายามุขแล้วก็ยกระดับจากมนุษย์ให้ขึ้นเป็นเทพด้วยการทําบุญทําทานทําความดีชนิดต่างๆทํานี้ไม่ได้เพื่อหวังผลตอบแทนจากผู้ที่เราไปกระทําด้วยไม่ต้องการรางวัลไม่ต้องการผลตอบแทนอะไรทั้งสิน้นแม้แต่คําว่าขอบคุณก็ไม่ต้องการ เพราะเราได้เราได้รางวัลแลก็คือได้เป็นเทพขึ้นมาแล้วนั่นเป็นสิ่งที่ไม่มีใครมอบให้กับเราได้เพราะมันต้องเกิดจากการกระทาของเราเท่านั้นคือการทำความดีเสียสละแบ่งปันประโยชน์สุขของเราให้แก่ผู้อย่างนั้นเวลาคนทำความดีที่แท้จริงแนละ้วเขาไม่ต้องการอะไรจากคนที่เขาไปช่วยเหลือคนที่จะช่วยเหลือจะขอบคุณเขาจะมีความกระตันอยู่อะไรนี้เขาไม่สนใจ ทำแล้วบางคนทําแล้วก็ได้ถูกกลับดา่ากลับมาก็ไม่เดือดร้อนอะไรเพราะว่าไม่ได้ไปหวังอะไรจากคนที่เราไปช่วยเพราะหวังแต่ผลที่ได้จากการทําบุญทาความดีของตนเองเพราะทําแล้วมันจะยกระดับจิตใจให้สูงขึ้นให้เป็นเทพให้มีความสุขมากขึ้นนั่นเองนนี้คือขั้นของของการยกระดับความสุขความเจริญของจิตใจจากขั้นมนุษย์ อยากจะขึ้นสูงนี่ต้องทำบุญทำทานถึงจะขึ้นสูงได้อยากจะไปเป็นเทพท่านต่างๆแต่ก่อนที่จะไปขึ้นไปสูงได้ต้องปิดประตูลงต่ำให้ได้ก่อนต้องปิดประตูบายคือด้วยการไม่ทำบาปด้วยการไม่เสพบาบาบายอมลุกก่อนถ้าทำทั้งสองอย่างถ้าทำบาปเสพบาบายอมลุกด้วยแล้วก็ไปทำบุญด้วยอันนี้มันก็จะดึงกันไปดึงกันมาขึ้นอยู่กับว่า ฝ่ายไหนมีกำลังมากกว่าถ้าฝ่ายบุญมีกำลังมากกว่าฝ่ายบาปก็ยังพอจะดึงขึ้นไปสูงได้แต่ถ้าฝ่ายบาปมีกำลังมากกว่าฝ่ายบุญนี้ก็จะดึงใจให้ขึ้นสูงไม่ได้ยังเป็นเทพไม่ได้เพราะยังจิตใจมันยังเป็นเลราชานมากกว่าเป็นเทพนั่นเองพราะนั้นก็ต้อง ข, อข้อสำคัญสิ่งแรกควรจะทำก็คืออย่าทำบาปอย่าเสพบา ย, ยามยุข พอเราทําได้แล้วทีนี้พอเราทําบุญได้มากได้น้อยเท่าไหร่มันก็จะส่งจิตของเราให้ขึ้นสูงได้ทันทีให้ขึ้นไปเป็นเทพแล้วพอเราทําได้เต็มร้อยมีทรัพย์สมบัติอะไรให้เขาไปหมดเลยเก็บไว้เท่าที่จําเป็นไว้สําหรับกินอยู่เท่านั้นถ้าไปบวชก็ไม่ต้องเก็บไว้เลยเพราะมีคนเลี้ยงดูถ้าไปบวชเป็นพระก็ไม่ต้องไม่ต้องเก็บอะไรไว้เลยก็จะได้มีเวลาที่จะได้ไป ยกระดับจิตใจให้ขึ้นจากเทพไปสู่ระดับพรหมไปสู่ร ะ, ย, ระยะระรดับพระอริยบุคคลไปสู่ระดับนิพพานถ้าเจริญสติทำใจให้สงบเน่งได้ตลอดเวลาอันนี้ก็จะเป็นระดับของพรหมแล้วถ้าเจริญปัญญาพิจารณาเห็นเห็นไตรลักในสภาวะธรรมทั้งปวง เห็นใจรักในสิ่งที่กิเลสตัณหาอยากได้อยากมีอยากเป็นนี้พอเห็นแล้วมันก็จะหยุดความอยากได้อยากมีอยากเป็นก็เท่ากับการทําลายกิเลสตัณหาความอยากต่างๆด้วยการเห็นไใลรักเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาในสภาวะธรรมทั้งปวงไม่ว่าจะเป็นลาบยศสารเสริญสุขไม่ว่าจะเป็นรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะชนิดต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นร่างกายไม่ว่าจะเป็นร่างกายของตนเองหรือของผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นความ เ, าเจ็บความรู้สึกเจ็บที่เรียกทุกขเวทนาไม่ว่าจะเป็นอารมณ์ต่างๆที่มีอยู่ภายในใจก็จะเห็นว่าเป็นไตลักษณ์ทั้งจะอาศัยสิ่งเหล่านี้ให้ความสุขไปตลอดไม่ได้อาศัยร่างกายให้ความสุขไปตลอดไม่ได้เพราะร่างกายก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตาย ไปอาศัยเวทนาให้มีแต่สุ ข, ขเวทนาอย่างเดียวก็ไม่ได้เพราะเวทนามันก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวไม่สุขไม่ทุกข์จะไปอาศัยความสงบของใจความนิ่งของใจความว่างของใจเพราะความบาสจักอารมณ์ต่างๆก็ไม่ได้เพราะใจมันก็ยังมีอารมณ์แปรปรวนไปแปรปรวนมาเพราะมันเป็นอนิจจังไม่เที่ยงมันเป็นอนัตตาไปควบคุมบังคับมันไม่ได้ มันเป็นตายลักให้เห็นตายลักในกายเวทนาจิตถึงจะสามารถที่จะละสังโยชน์ละความอยากต่างๆที่ผูกมัดจิตใจให้ติดอยู่กับโลกแห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้ถ้าได้สติก็ได้ได้ความสงบได้สวรรค์ชั้นผมถ้าได้ปัญญาก็จะได้สวรรค์ชั้นพระอริยบุคคล ชั้นพระโสดาบันชั้นพระสดิสกิดาคามีพระอนาคามีพระอรหันต์ตามลาดับถ้าได้ขั้นพระอรหันต์ก็จะได้พระนิพพานเป็นที่อยู่อย่างถาวรต่อไปเป็นที่ออกจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดผู้ที่ไปถึงนิพพานนี้จะไม่ถูกกำหน้าของกิเลสตัณหาโมหะอวิชชาดึงให้กลับมาเวียนว่ายตายเกิดในตายพบเด็กต่อไป เมื่อไม่เกิดก็จะไม่มีทุกข์เพราะว่าเมื่อไม่เกิดก็จะไม่มีความแก่ความเจ็บความตายตามมานั่นเองก็จะหมดปัญหาเรื่องของความทุกข์ของจิตใจจิตใจก็จะได้ขึ้นสู่ระดับขั้นสูงสุดระดับที่ไม่มีความทุกข์ที่จะมาเหยียบย่ำจิตใจต่อไปถึงแม้ว่าร่างกายยังจะมีอยู่ก็าตาม เช่นพระพุทธเจ้าถึงพันนิพพานตั้งแต่ตอนตัดทะลุตอนที่ประทับอยู่ใต้คูนต้นโพแล้วใจของพุทธเจ้าก็ไม่มีความทุกข์กับอะไรต่อไปถึงแม้จะสัมผัสรับรู้กับความทุกข์ของร่างกายแต่ความทุกข์ของร่างกายก็ไม่สามารถเข้าไปในใจของผู้ที่ถึงพันนิพพานได้แล้วนิพพานนี้เป็นดบรรลุนิพพานได้ตั้งแต่ยังไม่ตายอย่าไปเข้าใจว่าจะต้องรอให้ตายถึงจะไปถึงนิพพานได้ เวลาที่เขาใช้คําว่านิาพพานกับพระพุทธเจ้านี้เขาใช้คํานิาพพานนินทนแต่แทนคําว่าตายเท่านั้นเองเพราะคนเราไม่ชอบคําว่าตายเราเลยมักจะหาคําที่เปรียบเทียบเวลาพระเจ้าแผ่นดินตายเราก็เรียกว่ า, า, าสวรรค์นกศไปสวรรค์เวลาที่พระพุทธเจ้าพระหลานตายเขาเรียกว่านิาพพานแต่ความจริงก็แปลว่าตายเท่านั้นแต่คําว่านิาพพานนี้ท่านได้ตั้งแต่ยังไม่ตาย ขอให้เข้าใจไว้นี่คือเรื่องของการศึกษาและการปฏิบัติตามคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อประโยชน์ทางด้านจิตใจไม่ได้เพื่อประโยชน์ทางราบยศเสริญทางลูกเสียงกลิ่นรสแต่อย่างใดก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็จะขออนุโมทนาให้พรยัตาวาริวาหาปุราปริกุเรนติสากลัง เอวามิวะอิโตชินังเตตานังอุปการปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิพเมวะสมิจจตุสัพเพปเรนตุสังก p ปาจันโทปนะระโสยธาตุมณิโชติระโสยธาสัพพีติโยวิวัจจันตุ สัพพโรโขวินัสตุมาเตภวัตวันตาายโสุขีทิขายุโกภวะอภิวาทานศีลสะนิจังวุฒาปะจายโนจตารุธรรมาวัฏฐานติอายุวันุสุขังภาละ ช่วงต่อไป น, นี้เป็นช่วงถามตอบคำถามใครอยากจะคำถามอยากจะถามอะไรก็ขอเชิญถามได้ในช่วงนี้เพราะเป็นช่วงเดียวที่เราจะได้คุยกันหลังจากเลิกแล้วจะไม่สะดวกที่จะตอบคำถามใครอยากจะถามอะไรเดี๋ยวก็จะให้ถามตามลาดับถ้าอยากจะถามเองก็มาที่ข้างหน้านี้จะมีไมโครโฟนให้พูด ถ้าไม่อยากจะมาจะเขียนใส่ใสกระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้หรือถ้ามีมือถือก็ส่งข้อความเข้ามาในทางเพจในทาง YouTube ก็ได้มีหลายช่องทางที่จะให้ถามได้วันนี้ผู้ติดตามมีเท่าไหร่วันนี้มีผู้รับชมรับฟังทาง Facebook 384ท่าน YouTube 240ท่าน ยู YouTube, e, ทู u ด e ดกตรวีหนึ่งร้อยเก้าท่านวิทยุออนไลน์สิบท่านกลับเท้าเก้าท่านนาคุติร้อยยี่บสองท่านรวมทั้งหมดแปดร้อยเจ็ดิบสี่ครับพระอาจารย์ตาเชิญถามได้ดคนใกล้ๆปบากไหค่ะก็กราบเรียนพระอาจารย์ค่ะคือลูกสงสัยว่าคนที่เกิดมาเป็นเพศหญิงหรือเพศชายเนี่ย แต่สุดท้ายเวลาที่เขาเติบโตมาแล้วเขาเบีเ่ยงเบนทางเพศทางความคิดนั่นแสดงว่าในอดีตชาติเนี่ยเขาได้สร้างผิดศีลไว้ใช่หรือไม่เจ้าคะไม่ใช่หรอกมันเป็นเรื่องของความชอบของจิตใจของแต่ละคนถ้าชอบผู้หญิงเขาก็จะส่วนใหญ่ก็จะได้ร่างกายของผู้ชายแต่บางครั้งก็ อาจจะเป็นแบบพวกที่ยังไม่ได้ชอบเต็มที่ชอบครึ่งๆกลางๆชอบผู้หญิงบ้างชอบผู้ชายบ้างแล้วก็เลยได้ร่างกายเป็นเป็นตรงขันข้ามท่านั้นเองไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องผิดศีลหรือผยดเรื่องของความชอบแล้วถ้าทางศาสนาพุทธนี่คือจะบาปไหมคะสมมติว่าไม่บาปไม่บาปันไม่มีไม่ถ้าไม่ผิดศีลถ้าไม่ทํำประพฤติผิดประเพณีอืถ้ามี มีกู่ความคนเดียวก็ก็ไม่ถือว่าบาปเพราะเพียงว่าจิตใจไปได้ร่างกายที่ตรงกันข้ามกับจิตใจจิตใจเป็นหญิงแต่ไปได้ร่างกายของผู้ชายแต่ก็ยังทำตัวเป็นหญิงอยู่เพราะใจเ็เป็นผู้หญิงค่ะเช่นเดียวกับจิตใจที่เป็นผู้ชายแล้วไปได้ร่างกายของของผู้ชายของผู้หญิงเนี่ยก็ทำตัวเป็นผู้ชายเพราะใจเขาเป็นอะไร เป็นเขาต้องทำตามที่ใจเขาแะเหมือนที่เกิดมาบางคนก็ถนัดมือซ้ายถนัดมือขวาเพราะเคยใช้อย่างนั้นมาตลอดเคยใช้มือซ้ายมามันก็ถนัดมือซ้ายอพอมาเกิดมันก็จะมาใช้มือซ้ายต่ออันเป็นเรื่องของความความเคยชินนี่ส่วนสนหรับคนที่ได้ร่างกายที่ตรงกันข้ามกับใจของตอนนี้อาจจะเป็นเพราะว่า ใจมันเปลี่ยนไงชาติก่อนอาจจะเป็นผู้หญิงแล้วอยากจะเป็นผู้ชายก็เลยชอบทำอะไรที่แบบผู้ชายก็ททำกันก็ไปเป็นทหารไปชกมวย อ, อะไรอย่างเงี้ย<อ>ใจมันก็เริ่มเปลี่ยนจากผู้หญิงไปเป็นผู้ชายแต่มันยังอาจจะเปลี่ยนไม่ครบร้อยมาเกิดใหม่มันก็ยังได้ได้ได้ร่างกายเป็นผู้ชายอยู่แต่ได้ร่างกายเป็นผู้หญิงอยู่แต่ใจยังยังไม่ได้เป็นผู้ชายเต็มที่อะไรอย่างเงี้ย มันก็เลยทำให้ร่างกายกับใจไม่ตรงกันค่ะไม่มีข้อเสียหายมันไม่เรื่องเกี่ยวกับเรื่องบาปหรือบุญอะไรไม่เกี่ยวกันเลยนะคะในเรื่องของความชอบขึ้นความชอบเราเปลี่ยนได้บางทีเราเคยชอบสีแดงมาแล้ววันดีก็ดีแล้วอาจจะเบื่อไม่ชอบสีแดงเปลี่ยนไปชอบสีขาวอะไรนี้ก็ได้ มันเป็นเรื่องของความชอบก็คือไม่ตกนรกไม่ไม่เกี่ยวกันเลยเพราะไม่ได้ไปฆ่าสัตว์ไม่ได้ไปรักทรัพย์ไม่ได้ไปไปผิดไปผิดสามีภรรยาของผู้อ่นก็ไม่ไม่ไปนรกไม่ไปอะไรแล้วและอีกข้อนะคะบางครั้งคือโยมไม่เข้าใจว่าทําไมบางทีเราเข้าใจว่าคนคนนี้ยเราทําดีกับเขาแล้วเราก็ทําไม่ขึ้น แต่โยมก็เลยกลับมาเข้าใจว่าอ๋ออดีตชาติเราเคยทำกับเขาไว้ซึ่งมันบางครั้งมันอาจจะเป็นการกระทาที่เราจะต้องมาชดใช้แล้วเมื่อไหร่มันจะสิ้นสุดเจ้าค่ะเมื่อไงสิ้นสุดแล้วมันสิ้นสุดเมื่อเราที่เราจากโลกนี้กันใช่ไหมคะจากโลกนี้ถ้ามันยังไม่สุดชาตินาทมันก็เจอกันอีกนะมันก็ มันก็ต้องใช้กันต่อไปแล้วอย่างนี้โยมจะทําอย่างไรดีคะก็ใช้ไปเรื่อยๆไม่ต้องไปกังวลใช้ได้มีใช้ก็ใช้ไปไม่มีใช้ก็ไม่ต้องใช้แต่แต่โยมเคยได้ยินมาว่าเรายิ่งทําบุญให้เหนือกว่าเขาแล้วเราก็จะยิ่งจะจะไปได้ไม่ต้องเจอเขาอันนี้ก็ไปนิพพานไง <c oughs> ไปนิพพานก็ไม่ต้องกลับมาเกิดไม่ไม่กลับมาเกิดก็ไม่เจอใครนล้ว แต่ถ้ากลับมาเกิดยังไงเราก็ต้องเจอเขาใช่ไหมคะไม่แน่ก็แล้วแต่จังหวะยจังหวะที่จะเจอกันก็มีไม่เจอกันก็มีเหมือขับรถไปจอดที่สี่แยกไฟแดงเนะี่ยโยมไปเจอรถข้างซ้ายข้างขวาแล้วเขาหน้าไปไปที่เดิมจะเจอกันไหมไม่แน่ใช่ไหมไม่แน่บางทีก็เจอบางทีก็ไม่เจอถ้าเจอก็ต้องทำใจทาใจเฉยๆยอมรับใช้กรรมต่อไป แล้วถ้าอีกกอณีหนึ่งถ้าเรากดน้ําความขันแล้วมันจะเจอกันไหมคะไม่เกี่ยวหรอกจะเอากีดขันมากวด <c oughs> ม, มันไม่ได้กรรมไม่ได้หรอกนั่งเวน <c oughs> นั่งกรรมไม่ได้ค่ะ <c oughs> เว็กรรมต้องต้องชดใช้ค่ะ <c oughs> วิธีดีที่สุดก็อย่าไปสร้างเวนสร้างกรรมจะได้ไม่ต้องชดใช้เวนกรรม บางครั้งมันบางครั้งบางเรื่องเราอาจจะหลีกเลี่ยงไม่ได้เจ้ะค่ะหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็ต้องใช้ไปชดใช้กรรมไปใช่ไหมคะยอมรับมันอย่างเดียวเราสร้างเหตุแล้วรับผลของมันคือจะตามมาค่ะจะทํากรรมอันใดไว้ดีหรือเชื่อจะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นใช่ค่ะเข้าใจไหมคะขอบพระคุณอาจารย์ค่ะที่ให้ความรู้แสงสว่างนะคะขอบคุณค่ะ มีคำถามจากทางเฟ e บุ๊ k นะคะขอสอบถามพระอาจารย์ครับว่าถ้าเราเห็นคนถูกรังแกถูกทำร้ายเราควรทำอย่างไรดีครับถ้าช่วยเขาได้ก็ช่วยคือถ้าถ้าห้ามเขาได้ก็ห้ามถ้าห้ามไม่ได้เจ็บเราลองไปเจ็บเนื้แเจ็บเจ็บตัวแทนเขาก็อย่าไปยุ่งดีกว่าหวห้เป็นเรื่องเป็นบุญเป็นกรรมของเขาไปจากทางเฟ e บุ๊ k อีกท่านหนึ่งค่ะ ตอนนี้บวชอยู่ได้เจ็เดือนแล้วครับแล้วก็ตั้งใจจะบวชไม่สึกจะเป็นการเห็นแก่ตัวไหมครับโยมแม่บอกว่าเรายังมีภาระทางโลกอยู่ซึ่งทางบ้านยังมีภาระคือต้องผ่อนบ้านแล้วก็มีบิดาที่ต้องเลี้ยงดูซึ่งช่วยเหลือตัวเองได้อยู่อายุเจดสปีแล้วควรจะพูดกับโยมแม่ให้เข้าใจอย่างไรดีครับก็แม่มาอยู่วัดเลหมดเนื่องขายบ้านเลย กูบาอาจารย์ท่านบวชแล้ท่านกา็บางทีก็เอแม่ไปอยู่วัดด้วยหลวงตามหาบักาวก็เอแม่ไปอยู่วัดจะได้หมดปัญหาเรื่องภาระทางโลกไปแลาจะได้มีโอกาสได้สอนแม่ให้แม่ได้ศึกษาได้ปฏิบัติธรรมด้วยจากทางช่องดอรวีค่ะขอสอบถามพระอาจารย์เจ้าค่ะ คนที่ไปเที่ยวสถานบริการทางเพศถือว่าผิดศีลข้อสามไหมคะอะถ้าไปร่วมหลับนอนกับคนที่ไม่ใช่เป็นคู่ครองเราก็ถือว่าผิดข้อสามนี่แหละจากทาง youtube ค่ะกล่าบนามาสการเจ้าค่ะคนที่รู้กับคนที่ไม่รู้ถ้าเขาทํำบาปเหมือนกันจะได้รับบาปเท่ากันไหมเจ้าคะเท่ากันะ ม, มันได้อยู่ที่รู้หรือไม่รู้อยู่ที่ทําหรือไม่ทำํำ คำถามจากคุณวรางค่ะน้อมกัลปเรียนถามพระอาจารย์เจ้าค่ะทนายความเป็นอาชีพที่จะมีการสูงเสียงในการผิดศีลไหมเจ้าค่ะบางครั้งมีคนมาปรึกษาให้ทำอย่างไรไม่ต้องรับโทษหรือรับโทษน้อยลงเจ้าค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องของทางกฎหมายเขาก็ว่าเป็นทางกฎหมาย ถ้าไปไปโกหกหลอกลวงเพื่อให้เขาได้หลุดพน้นมันก็ยังถือว่าผิดศีลอยู่ถึงแม้จะไม่ผิดกฎหมายก็อาจจะถูกกฎหมายอันนี้เราไม่รู้รายละเลอียดก็ต้องแยกว่ามันเป็นคนคนละประเด็นกันทางกฎหมายก็เรื่องของทางกฎหมายถ้าทางกฎหมายทาแล้วมันไปผิดศีลมันก็ผิดศีลอยู่ดีคุณกิติพัฒน์เจ้าค่ะ คนที่ทำฟาร์มเพาะพันธุ์สุนัขขายเป็นบาปไหมครับเพราะเหมือนกับพลัดพรากลูกจากแม่ค่ะไม่บาปหรอกเพราะว่ามันก็มีคนเอาไปเลี้ยงดูดูแลอย่างดีหมามันยังไงเดี๋ยวมันโตมันก็แยกของมันไปเองมันไม่รู้จักพ่อจากแม่มันก็อยู่แค่ช่วยอาศัยให้ให้กินนมอะไรไปพอมันหากินเองได้มันก็ไปตามตามเรื่องของมันนะ แต่ถ้าเพราะเพราะแล้วเอาไปฆ่าเนี่ยก็ถือว่าเราไม่บาปแต่เราก็ส่งเสริมให้คนอื่นก็ทําบาปเนเลี้ยงไก่แล้วก็ถึงเวลามันโตก็คนก็เอามาซื้อไปฆ่าอย่างนี้อย่างนี้เราไม่บาปล้วคนเราคนเลี้ยงไม่บาปแต่เราเป็นอาชีพที่ไม่ควรจะกระทาเพราะส่งเสริมให้มีการฆ่ากันค่ะคำถามต่อไปค่ะ มาปฏิบัติธรรมแล้วตอนกลางคืนเหมือนมีสิ่งรบกวนเช่นนอนนอนอยู่ได้กลิ่นเหมน็คนควรทำอย่างไรกับสิ่งที่รบกวนเหล่านี้คะสวนมนต์ไปก็ได้พูดโทรไปก็ได้อย่าไปสนใจมันเป็นมายาม า, มาหลอกเราเจัดคุณนาวาค่ะพระอาจารย์คะหนูเห็นถึงความสำคัญของการคิดค้นอุบายเพื่อแก้ทุกข์ทางใจ บางเรื่องมองเขาให้เป็นฝนตกแดดออกจิตก็วางได้บางเรื่องต้องคิดเอาใจเขามาใส่ใจเราถึงจะปล่อยได้ส่วนบางเรื่องก็ต้องเปลี่ยนนามสมมุติเอาบางเรื่องคิดคนเองไม่ได้หนูก็ต้องถามพระอาจารย์ทีนี้หนูสงสัยว่าทำไมจิตถึงดื้อจำเป็นต้องใช้อุบายหลายๆอย่างมาปราบเจ้าคะถ้ามันรักมากหขวงมากมันก็จะดื้อมาก ถ้ามันนักน้อยหวงน้อยมันก็จะดื้อน้อยเนี่ก็ต้องถ้ามันดื้อก็ต้องใช้ไม้เดียวไม้ไม้ใหญ่ถ้ามันไม่ดื้อก็ใช้ไม้เดียวขนาดเล็กได้ในการปฏิบัติก็บางทีต้องมีความหนักมีความเบาตามกำลังของกิเลสกิเลสมานหนักเราก็ต้องหนักกลับไปจากคุณกิติพัฒค่ะถามมาว่าทาสถานบันเทิงบาปไหมครับ ก็มันอยู่มันใกล้ๆกับการเสพใบายามุกเนี่คือเป็นอาชีพที่มันไม่ไม่ไม่ดีสําหรับคนที่ต้องการจะหลีกเลี่ยงอบายามุกหรือการทําบาปพอไปอยู่ในสารบันเทิงมันก็อาจจะมีการขายสุรายาเมามีการดื่มสุรายาเมากันแต่ถ้าเราเป็นคนใจเข้มแข็งไม่ดื่มสุราได้มันก็ไม่บาปสำหรับเรา คำถามต่อไปค่ะการตอบแทนกับพ่อแม่ที่ดีที่สุดในทางพระพุทธศาสนาคืออะไรครับก็พาให้พ่อแม่พ้นจากอก บ, บายช่วยให้พ่อแม่รักษาศีลละเว้นจากการเสบอบา ย, ยามุกให้ได้ปม ด, มดปแล้วเลยเมีใครอยากจะถามอะไรไหมโอเค ถ้าไม่มีก็คิดว่าเอาแค่นี้ก่อนนะสำหรับวันนี้ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังไปพิณิพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเทิน